ตันหาในอย่างหนึ่งคือมันหวั่นไหวถ้าเจอนี่นะตันหานี่นะมันมันเป็นโสมนัสจริงแต่มันหวั่นไหวมากกับอารมณ์นั้นนั้นะกับอารมณ์ที่ตัวเองชอบเนี่ยนะหัวใจสูบแรงเลยน่ะตุบตับตุบตับเลยแหละอันอาการแห่งความหวั่นไหวความพรั่งพร้อมด้วยความหวั่นไหวความกำเริบเนี่ยนะมันกำเริบนะทำให้จิตเนี่ยไม่สงบอะไรเลยความใคร่ดีความกำหนัดในที่ผิดธรรมความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่อาการแห่งความใคร่ความ มุ่งหมายความปองความปรารถนาดีนะปรารถนาดีด้วยอำนาจตันหาก็มีใช่ไหมปรารถนาดียังไงปรารถนาว่าแกตเนี่ยทําสีให้ดีๆหน่อยสิพูดให้ดีๆนะอย่างงี้ยนะไอ้ปรารถนาดีไม่ใช่เมตตาที่ไหนหรอกปรารถนาให้รูปดีๆปรารถนาเอาเสียงดีๆนะทําอาหารให้ดีๆน้เนี่ยหละก็ดีๆแบบเนี้ยดีๆแบบตันหาเห็นไหมก็คือประกามตันหาภาวะตันหาและก็วิภวะตันหา ตันหาในรูปประพบตันหาในอารูปประพบเนี่ยนะแล้วก็ตันหาในนิโรธคือขาดศูนย์เนี่ยนะรูปประตันหาสัทธาตันหาคันธาตันหาราสตันหาโพธภาษตันหาธรรมะตันหาเป็นโอคะโยคะคันธาอุปาทานนะเป็นความปิดความกั้นความบังนะมันทั้งปิดทั้งบังอ่ะนะเออมันปิดนะจริงๆแล้วอุปาทานขันนะ ความจริงของอุปาทานขันคืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเป็นความลําบากเป็นดังผู้อื่นเป็นความป่วยความไข้เป็นของเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เราเห็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เห็นมันบังไว้หมดอ่ะมันเห็นว่ายังไงเออดีนะอันนี้ก็ราคาแพงอันนั้นก็สวยเป็นต้นเนี่ยนะมันจะขี้ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนหมดเลยตัณหาเนี่ยนะมันบอกอย่างนั้นน่ะ มันทั้งปิดมันทั้งบังมันทั้งห่วงทั้งห้ามทั้งกันไม่หมดนะไม่ให้เราริมรู้ความจริงอ่ะนะมันให้เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแต่ว่าลึกไปกว่านั้นมันไม่ยอมให้เห็นแล้วเห็นรถนี่ตอนสวยอะแต่ว่าหาเงินซื้อรถเนี่ยมันไม่เห็นเลยตอนดูแลรถบํารุงรถมันไม่ให้เห็นหรอกมันให้เห็นแต่ตอนสวยอย่างเดียวนะตอนที่เทะขณะแป๊บเดียวนะอแต่ว่าพอมีรถแล้วนอนไม่หลับนี่ไม่ค่อยคิดนะจอดทิ้งไว้ก็วันหนึ่งคิดถึงรถไม่รู้กี่รอบนะคุณชูมาอยู่นี่ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยมานาสิการ์นะนะตอนได้คันใหม่ๆขึ้นมาคันแรกนะน้อเนี่ยจอดทิ้งไว้ที่ไหนก็คิดแล้วคิดอีกกันนะก็ห่วงมากกันนะมันก็มันปิดมันบังไม่เห็นความจริงรอกเนี่ยมันฉาบทาเอาไว้มันผูกแล้วก็ตัวที่เข้าไปเศร้าหมองมันเป็นอนุสัยเป็นทั้งปริยุทธานเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันมีกำลังมากนะพอได้เชื้อได้ปัจจัยมันพลุบขึ้นทันทีเลยอะ เป็นความกลุ่มรุมแห่งจิตเรียว่าปริยุทธานความเหมือนเถาวันมาอยู่ป่า น, น่าจะเห็นตันหาเหมือนเถาวันเนะีป่าที่นี่เถาวันไม่ค่อยมากเหมือนที่กุติที่กุติเนี่ยอุย้ยไม่รู้เถาอะไรแต่เถาอะไรมันพันมันยุ่งไปหมดเลยนะเนี่ยนะ่เยอะมากเลยที่ที่กุติอยู่เนะยที่นี่ก็มาก็พอมีเถาสบ้าเถาอะไรนะแต่ว่าถ้าจะรู้ว่าเถาวันมีมากหรือลองเลินลุยป่าด้วยจะรู้เดี๋ยวมันจะเกาะมันจะเกี่ยวมันจะพันเดี๋ยวก็ติดขามัง่ง เดี๋ยวก็ติดแขนบ้างเดี๋ยวก็ติดส่วนหัวบ้างเดี๋ยวก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยน่ะ น, นะเพราะว่ามันคล่องไปหมดอ่ะมันเหมือนเถาวันแล้วก็ความปรารถนาวัตถุต่างๆ่นั่นนะรากเง่าแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุกอันนะก็คือเนี่ยทุกทั้งมวลเหล่านี้มีตันหาเป็นแดนเกิดน่นนะทุกในโลกทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีตันหาทุกเหล่านั้นไม่มีรอกแล้วก็บ่วงมานเบ็ดมานวิสัยมาน เนี่ยนะบ่วงมานนะมานเนี่ยบ่วงก็บ่วงของมานนะคือตันหาเบ็ดของมานนะเมื่อตันหาเกิดก็ถูกเบ็ดเข้าเกี่ยวกลืนกินเบ็ดเข้าไปแล้วนะเบ็ดพญามันละแล้วก็เป็นเหยื่อของมานด้วยนะวิสัยมานเครื่องล่อของมานเนี่ยนะแม่น้ําคือตันหาก็แม่น้ําคือตันหามันถมไม่เต็มใช่ไหมไม่เต็มนั่นนะไข่คือตันหาตะข่ายไงโซ่คือตันหา ถูกโซ่ลามสมุดคือตันหาเป็นทะเลเลยนะตันหาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาอภิชาก็คือเพ่งแรงนะโหดีนะสวยนะมาหน้าเป็นของเรานะเนี่ยนะโลภะความติดความข่องอกุศลมูลเรียกว่ารากเง้าแห่งบาปทุกชนิดนะเป็นรากเง้าแห่งกายญาทุจริตเป็นรากเงาแห่งวจีทุจริตเป็นรากเงาแห่งมโนทุจริตเลยเป็นอากุศลมูลเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่า วิสัตติกาคือตันหาตันหาที่เรียกว่าความปรารถนาต่างๆ น, นะอันผู้ที่ฟังตันหาขนาดนี้มันม น, น่าจะเห็นโทษนะมันเห็นเป็นตอนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคำสอนก็เห็นตอนที่ลืมคำสอนก็ลืมไป น, นะแสดงว่าเราเนี่เป็นพวกสองฝ่ายอยู่ใช่ไหม ก็คือตันหาแต่นะคือก็แสดงตามสูตรไงไงแสดงตามสูตรคือภาษาบาลีเนี่ยเรียกตันหาเยอะเหมือนภาษาไทยนี่นั่นคที่ใช้แทนตันหาเนี่ยมีเยอะที่ฟังไปทั้งหมดโดยทั่วไปเรียกว่าเป็นไวโพ์ของตันหาเน αι, ี่ยนะวิสติกานี่ก็คือหัวข้อของคำว่าตันหาตันหาคือไอวิสติการคือตันหาที่อื่นอาจจะเรียกตันหาแทนเรียกที่อื่นก็เรียกสราคะแทนบ้างราคะแทนบ้างนันทิแทนบ้างอ่ะนะ ก็คือสิ่งเดียวกันเขาเรียกว่าต่างกันโดยชื่อ <c oughs> อย่างคนเดียวหลายชื่ออย่างงี้ยไงทีนี้คําว่าวิสัติกาเนี่ยเพระอัฏว่าอะไรตัณหาจึงชื่อว่าวิสัติกาที่ว่ามันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนีนะเพราะว่ามันซ่านไปเพราะว่ามันแผ่ไปเพราะมันเล่นไปครอบงําสะท้อนแล้วก็เป็นเหตุให้พูดผิดเนี่ยนะคือพูดผิดพูดผิดยังไงพูดไม่ตรงต่อความจริงอ่ะนะจริงๆริงมันอสุภาษะใช่ไหมแต่เราบอก งามเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่มันเป็นทุกข์อ่ะเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นเราก็บอกว่ามันสุกมันเป็นอนัตตาเราก็บอกว่ามันอาตานะมันทำให้พูดผิดความจริงไปหมดนะนะเป็นมูลรากที่เป็นพิษนะ่ะรากของมันเนี่ยเป็นพิษนะนะมีผลก็เป็นพิษอีกแล้วก็เป็นเครื่องบริโภคที่เป็นพิษเนี่ยนะโอยมีโทษขนาดนั้น อีกชื่อนึ่งนะตัณหาเนี่ยมันแพรไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภตาพระบ้างแพรไปในสกุลบ้างคณะบ้างที่อยู่บ้งางแต่พูดเหมือพูดถึงพระนะแพ่ในสกุลก็คือเนี่ยแพ่ไปหาเนี่ยตระกูลโยมคนนั้นตระกูลโยมคนเนี่ยนะคิดถึงบ้านโยมน้นทีนนทีอะ่ะอันนี้เรียกแผ่ไปในสกุลแพ่ไปในคณะก็แพ่ไปในเพื่อนฝูงทั้งหลายเนี่ยนะแพ่ไปในที่อยู่ก็คืออาวาสอะ่ะ ทีก็แผ่ไปในลาบบ้างแผ่ไปในยศบ้างแผ่ไปในคำสรรเสริญบ้างแผ่ไปในความสุขบ้างอ่ะนะก็ไปเรื่อยอ่ะแผ่ไปในจีวรบ้างอาหารบ้างที่อยู่อาศัยบ้างยารักษาโรคบ้างอ่ะนะเดี๋ยวแผ่ไปหาจีวรอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็น้ําพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นอ่ะแล้วก็แผ่ไปในการมธาตุบ้างรูปธาตุบ้างอรูปธาตุบ้างทีก็แผ่ไปในการมพบรูปพบอรูปพบบางทีก็แผ่ไปในสัญญาพบอสัญญาภพบเนวสัญญานาสัญญาพบบัง บางทีก็แผ่ไปในเอกวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพบังบางทีก็แผ่ไปในอดีตบั่งอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างนะนี่ยว่าแสดงว่ามันเครือข่ายมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะไอ้ตันหานี่มันมีเครือข่ายที่เรียกว่ากว้างขวางไม่มีพ้นอะ่ะหรือบางทีแผ่เข้าไปในทิศถังคือรูปโสตังคือเสียงอะนะอ่าโสตังอ่ะนะมุตังคือกลิ่นรสผลภพะแล้วก็วิญญาตังอะ่ะสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ย ไอ้ออตันหาเนี่ยมันก็พาแพร่ซ่านเข้าไปในทุกคนทุกแห่งอ่ะนะพาไปในในที่เรียกว่าไม่มีจบมีสิน้นนะ <c oughs> ทีนี้คำว่าในโลกเนี่ยนะที่พุทธพจน์นะทวนพุทธพจน์อีกนิดหนึ่งว่า ผู้ใดเว้นขาดเว้นขาดจากกรรมทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติล่วงพ้นตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกนี้ได้นะคือจะละตันหาในโลกนะไอ้คำว่าโลกคืออะไรโลกก็คืออบายาโลกมนุษย์โลกเทวโลกเนี่ยนะก็คือโลกเหล่านี่นะเรียกว่าโดยโอกาสนะนะโดยอบายมนุษย์โลกหรือว่าโดยโลกคือขันโลกคือ ธาตุโลกคืออายตนะถ้าแบ่งตามโลกโลกกวิทูก็แบ่งเป็นโลก 1. โลก 2. โลก3นี่นะนั้นถ้าผู้ที่มีสติก็จะสามารถข้ามตันหาที่ร้านไปในโลกเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะทีนี้คำว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะคำผู้มีสตินะเป็นผู้มีสติก็ด้วยเหตุ4ประการก็คือเจริญกายานุปัสนาสติปฐานในกายชื่อว่าผู้มีสติ หรือเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในเวทนาหรือเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานใน จ, จิตเนี unusual. ่ยนะก็คือเอาจิตเนี่ยมาเจริญจิตตานุปัสนาเอาธรรมะมาเจริญธรรมานุปัสนาเนี่ยนะอนุปัสนานี่ก็คืออนุปัสนาเจ็ดใช่ไหมก็คือเจริญอนุปัสนาเจ็ดในกายเจริญอนุปัสนาเจ็ดในจิตนะเจริญอนุปัสนาเจ็ดในเวทนาหรือเจริญอนุปัสนาเจ็ดใน ธรรมะเนี่ยนะก็คือตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปนามขันห้าว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหน้าเบื่อหน่ายนะมุ่งที่จะคลายกำหนัดมุ่งเพื่อดับแล้วก็สละคืนนั่นเองเรียกว่าเจริญอนุปัสนาเจตนะนะอย่างที่เราเรียนสติปัฏฐานไปแล้วนั่นเองนะทีนี้อีกในหนึ่งนะเมื่อกี้ก็พูดตามสติปัฏฐานทีนี้ก็มาดูว่า เจริญกายานุปัสสนานะิบี่บพนะเวทนานุปัสสนาก็เวทนาเก้าจิตตานุปัสสนาก็จิตจิตสิบหกธรมานุปัสสนาก็ห้าบพะเนี่ยนะนะหรือพูดอีกในหนึ่งก็เป็นผู้มีสติด้วยเหตุสี่อย่างแม้อย่างอื่นอีกนะอันนี้มีอุปการะมากนะคือเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติเนี่ยนะทำยังไงที่เราจะเว้นจากความไม่มีสติก็เช่นอย่าไปคบคนไม่มีสติเป็นต้นเนี่ยนะนะ หรือเพราะเป็นผู้กระทําการเจริญธรรมทั้งหลายที่ทําด้วยสติเนี่ยนะก็เจริญอริยมรรคเป็นต้นอ่ะเพราะอริยมรรคเนี่ยต้องเจริญด้วยสติอ่ะเป็นผู้กําจัดธรรมทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อสติอะไรเป็นศัตรูต่อสติบ้างอ่ะนะโลภะตัณหามา n ะทิฏฐิหรือนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของสติจะต้องกำจัดไอตัวศัตรูของสติออกไปอ่าเป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมทั้งหลายที่เป็นนิมิตของสตินะจะต้องไม่ลืมกายสิบสี่บัพพะนะ เวทนา9จิต16ธรรมะหกลุ่มเนี่ยนะจะต้องไม่ลืมนิมิตของสติเหล่านั้น่ะหรือว่าเป็นผู้มีสติด้วยเหตุสีอย่างแม้อย่างอื่นอีกก็คือเป็นผู้มีสติเพราะอ่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายด้วยสตินั่นเอง เป็นผู้มีสติเพราะอยู่ด้วยสติก็ต้องทำสติอย่างนี้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วนะเป็นผู้มีสติเพราะคล่องแคล่วด้วยสติเป็นผู้มีสติเพราะไม่หวนกลับไปจากสติเลยนะอบรมสติให้มีสตินี่อย่างยาวอย่างต่อเนื่องหรือเป็นผู้มีสติด้วยเหตุอย่างอื่นอีกก็คือชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ระลึกได้อันนี้หมายถึงตัวสภาวะของสติหรือว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้สงบสงบก็คือภาวะดับนันนะ ชื่ว่าเป็นผู้มีสติก็คือเป็นผู้ระงับก็คือระงับกิเลสเป็นผู้มีสติเพราะประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษนะจึงจะชื่อว่าผู้มีสติหรือผู้มีสติเพราะอนุสติเสพนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอนาปานุสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติอันตัวสติจริงๆก็คือสภาวะที่ระลึกระลึกเนืองๆความระลึกเฉพาะ คือสติความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสตินสีสติพระสัมมาสติสติสัมโพชงเอกยนามคธรรมะเหล่านี้เรียกว่ามีสติอันบุคคลชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปถึงเข้าไปถึงพร้อมด้วยสติเรียกว่าผู้มีสติเห็นไหมผู้มีสติก็คือมีคุณธรรมของสติอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะมีสติประธานสี่เป็นต้นอนุสติเป็นต้นนั่นเองเรียกว่าผู้มีสติ ทีนี้ผู้นั้นเป็นผู้มีสติก็จะล่วงตันหาในโลกเสียได้นะเพราะฉะนั้นผู้มีสติก็ย่อมข้ามตันหาด้วยศีลนะข้ามตันหาด้วยศีลนะข้ามขึ้นด้วยสมาธิข้ามพ้นด้วยวิปัสนาก้าวล่วงด้วยอริยมรคล่วงเลยตันหาด้วยอริยผลในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีสติก็จะอบรมอะไรอบรมศีลสมถาวิปัสนาอริยมรลอริยผลเนี่ยนะก็ แต่บาลีชั้นใช้ว่าข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าล่วงล่วงเลยเนี่ยนะอัตถกถาอธิบายว่าข้ามขึ้นเนี่ยคือผู้มีสติข้ามขึ้นก็ข้ามขึ้นด้วยศีลอันะเออขอข้ามก็คือข้ามด้วยศีลข้ามขึ้นด้วยสมาธิข้ามพ้นด้วยวิปัสสนาก้าวล่วงด้วยมรรคล่วงเลยด้วยอริยผลเพราะฉะนั้นผู้มีสติจริงๆก็ต้องอบรมศีลสมาธิวิปัสสนามรรคและผลจึงจะข้ามตัหาในโลกนี้ได้ เพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติล่วงตันหาอันชื่อว่าวิสัติการในโลกนี้เสียได้นั้นสรุปว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติล่วงพ้นตันหาอันชื่อว่าวิสัติการในโลกนี้ได้ฉะนั้นผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็เท่ากับว่าผู้นั้นอบรมอะไร อ บ, บรมอริยมรรคเนี่ยนะอ บ, บรมสติปทานสี่ถ้ากล่าวถึงการอ บ, บรมสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทิบาสสอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็เท่ากับกล่าวแล้วแสดงแล้วทีนี้ผู้ที่มีสติหรือโพธิปัจขยธรรมบริบูรณ์อย่างนี้นะอารมณ์ของโพธิปัจขยธรรมคืออะไรก็คือพระนิพานเนี่ยนะเมื่อมีพระนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะก้าวล่วงตันหาได้ จำนวนนะถ้าถ้ายังมีวัตถุกรรมอยู่เป็นอารมณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้พ้นจากตันหาอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในดินแดนแห่งตันหาอยู่ต่อเมื่อล่วงเลยดินแดนแห่งตันหาคือพระนิพพานเนี่ยนะเม <ME> ื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าพ้นตันหาอย่างอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ายังจิตใจวนเวียนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพเป็นต้นเนี่ยก็ยังชื่อว่ายังไงก็ยังพันอยู่ในตันหาเพราะยังอยู่ในดินแดนแห่งตันหาอยู่ดีเนีย่ยนะ มันคาถาที่กล่าวไปเนี่ยก็เป็นนิสระณนะกล่าวถึงอริยมรรคกับพระนิพพานนั่นเองเนี่ยนะฉะนั้ น, นสามคาถาที่กล่าวไปก็คาถาเรกกันนะก็ผู้ใดปรารถนาสิ่งใดถ้าได้สมปรารถนาก็ปลืม้มยิ้มแป้เลยนะอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์แต่ว่าสิ่งที่เราปรารถนา น, นะสิ่งที่น่ายินดีนั้นอะพอใจเต็มที่ถ้าเราไม่ตายจากมันมันก็ตายจากเราเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรสัจจะ ทุกขสัตย์เพราะความไม่เที่ยงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่เที่ยงไงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกก็สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็สิ่งนั้นสิ้นไปเป็นทุกเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารก็คือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าผู้ที่เห็นภัยของตันหาคือตัวความปรารถนาแล้วก็เห็นพิษภัยของทุกขสัตย์ก็อบรม สติใช่ไหมอบรมสติประฐานสี่สมปประธาน4เป็นต้นเนี่ยจนขนาดอริยมรรคเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ต่อเมื่อนั้นแหละจึงจะล่วงพ้นตันหาได้อย่างแท้จริงวันสามคาถาที่กล่าวไปนั้นก็เป็นการประกาศอริยสัจเลยนะแต่ว่าเราก็ได้ยินได้ฟังอริยสัจเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปไปพิจารณาไปอบรมเห็นอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าการเจริญสัจากรรมาฐาน นะเพราะผู้ที่เจริญสัจจ ก, กรรมฐานก็คือน้อมไปที่จะละตัณหาความปรารถนาในวัตถุกรรมนี่นะละตัณหาแล้วก็เอาวัตถุกรารมที่ปรารถนาทั้งหมดมาทําปริญญาเพราะสติประธานเป็นต้นที่มาทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทำเนี่ยนะโดยเฉพาะนิโรธสัจการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยตามเป็นจริงต้องต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จริงจะเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจอย่างแท้จริงเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าแทงตลอดอริยสั์ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั่นแหละเป็นนิโรธสัตว์กับมรรคสัตนเนี่ยนะพันก็สามคาถาที่กล่าวไปก็เป็นการประกาศอริยสั์เราก็ชื่อว่ามาฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็เพื่อที่จะทำกิจในอริยสั์เหล่านี้ต่อไปแต่ว่าในสูตรนี้ยังไม่จบนะ